ขอความสุขความเจริญสุขมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอากงไขยสรคือสูตรที่ว่าด้วยความหวังของภิกษุหรือของพุทธบริษัทเ ร, รืออา จ, จะของคนทั้งหลายในโลกได้ คราวนั้นพระผู้มีพระเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันเหมือนกันแล้วก็รับสั่งเรียกทิสุทั้งหลายมาทิสุทั้งหลายเหล่านั้นก็ถูนรับแล้วก็พระเจ้าก็รับสั่งว่าทิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปฏิบูรสมบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้มี ความสำรวมในพระปาติโมตถึงพร้อมด้วยอาจาระและโูจรอยู่ถึงจงเป็นผู้เห็นภัยในโลกทั้งหลายเห็นโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาสำเนียกในสิกาบททั้งหลายอยู่ถึง พระพุทธํรรหัสข้อนี้เรียกว่าอนุสาสนีคือข้อที่ทรงพร่ำสอนบ่อยๆมากๆก็จะขึ้นในประเด็นตรงนี้ก่อนโดยเห็นว่าแม้ข้อความจะมีเพียงสามสีบ่บรรทัดแต่ว่ามีเนื้อหาสาระที่จะต้องศึกษาและต้องปฏิบัติ ตลอดชีวิตของผู้ที่ฝ่ายทําเท่าไรก็แน่นอนและชาวบ้านไม่ถึงหมดหรอกแต่ถ้าพระแนวก็ต้องปฏิบัติให้สมบูรณ์ทรงใช้คำว่าสมบูรณ์หรือถึงถึงพร้อมในแต่ละประเด็นประเด็นแรกก็คือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิโมก มีปาติโมกถึงพร้อมอยู่เถิดปัตโมกนั้นก็คือบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพระมนัยก็มีสองประเภทเรียกว่าพิคุปาติโมกพิคุณีปาติโมกพิคุปาติโมกก็เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพิกษุพิคุณีปาติโมกก็เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับภิกษุนี ในปาติโมกเหล่านั้นบางทีเราก็เรียกว่าินัยในวินัยนั่นเองรวมเรียกว่าบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าและบัญญาที่ควรประพฤติเรียรวมกันว่าเป็นพระวินัย่นีการสํารวมระหว่างในปาติโมกก็คือบทบัญญัติของสิกขาบททั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ สั้งอาาัฐาคือเนื้อหาและพยัญชนะคือภาษาอย่างยกตัวอย่างเช่นสีนข้อที่แรงแรงนะเอาที่แรงแรงไปที่เกี่ยวกับเรื่องปราชิตปราชิกแปลว่าปราชัยหรือพ่ายแพ้ก็มีบทปัญญาอยู่สี่ข้อนะ แต่ถ้าเรามองโดยเนื้อหาสาระก็เจเนว่าบทปัญญัตั้งสี่ข้อนั้นก็คือกรรมกิเลสสีนั่นเองในการต่อมาก็พัฒนามาเป็นสีหนส่ห้าทีน่าสี่ข้อแรกก็เป็นกรรมกิเลสสี็เขาไต่ระดับมาเรื่อยมาถึงชาวบ้านเนี่ย เราเจ็ว่าสีสี่ข้อแรกมันก็เหมือนกันในสีแปดนะสีแปดสีลบสดเนี่ยมันจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าสลับข้อกันสลับข้อกันหน่อยเดียวคือข้อเดียวสีแปดนั้นก็เริ่มจากปานาทินาแล้วก็อพรัมกีจากกามีเปลี่ยนเป็นอพรัมกามีกับอาพรัมนั้นมีความแตกต่างกัน กเมหมายความว่ามีเพศสัมพันธ์ได้แต่ต้องกับคู่ครองของตนเองแต่ว่าพระ ม, มีไม่ได้แม้กับคู่ครองของตัวเองก็ต้องหมดเว้นตลอดชว่วงระยะเวลาที่ตนรักษาศีลข้อนี้อยู่แต่ทีนี้ในการรักษาเนี่ย ในการรักษาเราเห็นว่าศีน้พ ร, รมของชาวบ้านนั้นจะเนื้อต้องตัวกันได้พ่อแม่ก็อุ้มลูกอุ้มหลานที่เป็นผู้หญิงผู้ชายได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะว่าเน้นจริงเน้นที่ประเด็นมีเพศสัมพันธ์แต่ทีนี้พอไปถึงเป็นของภิกษุกับภิกษุณีก็เรียกว่าพรหมือกันละ่ะ เตียงแต่ว่าภิกษุนอกจากจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แล้วยังจับเนื้อต้องตัวกันด้วยจิตที่กำหนัดไม่ได้แล้วก็เลยไปจนถึงว่านั่งอยู่ในที่ลับสองต่อสองกับเพศตรงกันข้ามไม่ได้จิ่ภิกษุนียิ่งไปใหญ่แม้แต่ยินดีสัมผัสที่ผู้ชายจับต้อง ก็ปรับประราทฉีมันมีความประณนีดลึกขึ้นไปเรื่อยๆจนเพ่งดูหรือว่าคิดถึงเพศตรงกันข้าม้วยจิตกำนหนก็ปรับเป็นอาบัตแต่มาอาบัตมันลดลงมานะฮะเพราะว่าไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์ จนถึงเดียวนึกสึกนึกถึงอดีตที่เคยปูกพันกับเพศต ร, ตรงคํามหรือม้แต่ไปพเพลิดเพลินกับการที่คนอื่นเขามีสุขกันในเรื่องที่เกี่ยวกับทางเพศก็จะมีความชิดถูกยิดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอมาถึงศีลศีลแปดหรือศีลศีลหัวสุดของชาวบ้านเนี่ย ก็ที่จริงก็ปรับพื้นฐานเอาไว้นอกจากว่ามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แล้วก็ปิดต้นทางที่จะให้เกิดแรงกระตุ้นจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก็คืองดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจะกินอาหารเท่าไหร่ก็กินไปแต่ว่าจากเช้าถึงเที่ยง ก็กินได้เท่าที่กินได้เกิดเป็นการลดอาหารไปตั้งหลายชั่วโมงไงลองนึกดูกลางวันนั้นก็หกชั่วโมงแล้วก็รุ่งขึ้นเช้าก็เรียกว่าอาไรแล่อย่างน้อยก็สองสามชั่วโมง กลางคืนดครับกลางคืนคพอกลางพอพอหมดวันมันก็ตกกลางคืนหกชั่วโมงกหกชั่วโมงก็เป็นสิบสองชั่วโมงหกสามก็สิบแปดชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาก็เรียกว่าอาจจะสักตีห้าครึ่งหรือหกโมงหรือหกโมงกว่าก็าแล้วแต่ระดั สิงจะรับประทานอาหารได้กาการก็คือว่าต้องการจะลดการเสริมกมารมราคารืยการบริโภคอาหารที่เกินความจำเป็นในการดำรงชีวิตไปการพ่อนำกับรัประคานเินซืมันก็ตุนนนต้นกัรกระตุ้นการมราคา การประดับประดาร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของดอกเรื่องด อ, งองก า, าต่างๆไม่ต่างยังไงก็ไม่รู้แหละหรือสมัยโบราณเนี่ยเขาประดับกันอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีแต่งที่ต่างออกไปแต่ก็สรุปว่ายังแต่งไม่ได้อยู่นั่นแหละแต่แต่งขนาดนั้นนะการนอนบนที่นั่งที่นอนบนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสมริเพื่องราพิจิตรหมดเนี่ย ก็เป็นการล้วนแต่เป็นการปิดกั้นกระแสของกามราคะไปกันก็หมายความว่าอัตถานี่มันลึกเนื้อหามันลึกมาทีนี้พอพอเป็นพระไปก็ดังที่ล่าวแล้วว่าพระทั้งหมดเนี่ห้ามหมดเหมือนกันเด็นในขนาดเดียวกันในแต่ละข้อนั้น อย่างข้อวิกาคือข้อที่หกคือเพื่อให้ชีวิตมันอยู่ได้ด้วยไม่ใช่ว่าเคร่งเครียดจนเกินไปเพราะงั้นจึงไปเพิ่มเติมในส่วนของเพศสัตว์คือว่ากินในฐานะเป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพไม่ใช่ปล่อยให้หิวมากเกินไป แล้วก็ไปซิกแซกอะไรก็ไม่ได้นี่ก็คือคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีนัยยะที่ลึกซึ้งลงไปทรรมาเหล่านี้ข้อปฏิบัติเหล่านี้แม้แต่ในพวกกุศลกรรมบทโดยนัยยะหนึ่งก็ทรงแสดงเป็นสีรส่ระดับสี่ระดับ เป็นเรื่องกายเป็นเรื่องวาจาวาจาสองระดับเรื่องกายหนึ่งระดับแล้วเรื่องจิตอีกหนึ่งระดับก็ตกลงว่เรื่องกายวาจาใจาอีกอะไรแต่เช่นสมมุติว่าการฆ่าสัตว์ฆ่าเองก็ไม่ได้ใช้คนอื่นฆ่าก็ไม่ได้สันเสริญผู้ฆ่าคนอื่นฆ่าสัตว์อื่นก็ไม่ได้ มีความพอใจยินดีในผู้ฆ่าและการฆ่าตลอดถึงผลที่เกิดขึ้นจากการฆ่าก็ไม่ได้เป็นการรักษาที่เข้าถึงใจนี่ก็เป็นปาติโมกสังโวนก็จะมีอย่างนั้นทุกข้อนะเพราะในสิกขาบทของพระถ้าเราไปอ่านดูจะพบว่ามันมีบทบัญญัติที่เป็นแม่บท แต่ว่าในภาคสนามภาคปฏิบัติจริงๆยังไม่มีความสมบูรณ์พอก็จะทรงอมนมีอนุปัญญตัตคือเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงจนกว่าจะไม่มีช่องว่างที่พระจะไปล่วงละเมิดได้แต่ก็ทั้งคารบในศึกงคาวินัยจริงๆ ก็จะกลายเป็นเรื่องที่เคร่งครัดเป็นการกระทำที่เคร่งครัดแล้วก็ชิคาโบสก็ไปกันเรื่อยๆไปก็เลรรุบรวมมาเป็นอาบัติเนี่ยเจ็ดระดับตัวกันคืออาบัติประราชิกในะขาดจากลาไปเลยแล้วก็ถึงจะ ไปหลอกตัวเองไปห่มจีวรเป็นพระอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นพระที่ชอบด้วยพระวินัยอย่างการปฏิบัติลวงโลกก็เรียกว่าไม่เป็นสมณะแต่ปฏิยานตนเราเป็นสมณะเป็นการปฏิบัติลวงชาวโลกก็ลวงตัวเองลวงคณะสงฆ์บาปนะฮแล้วก็สังฆาธิเศสนี่จะต้อง ชำระศีลให้บริ ส, สุทธิ์ตามกรรมวิธีที่วินัยกำหนดเอาไว้ติ่ทนประชาชนคงจะเคยได้ยินเรื่องปริวัสกรศมกดการปฏิบัติทรมานตนแต่วก็กล่าวสารภาพความผิดซ้ำซากตลอดเรวเวลาที่อยู่อยู่มานั้นประพฤติมานั้นนี่รวมรวมว่าปริวัสกรรม เดีวพาบัตรถูนจกใจก็เรียกว่าโทษโทษล่ำคือมันอ้วนมันใหญ่ขึ้นก็มีโทษรองลงมาแต่ว่าแสดงได้สารภาพความผิดเราได้มาถึงนิสกิยานี่ต้องเสียสละของที่เป็นเหตุให้ต้องอาบัตินิสกิเยนว่าพระรับเงินรับทองด้วยด้วยด้วยด้วยมือตัวเอง ก็ถือว่าเป็นนิสสกิคือตัวเงินเนี่ยต้องสละแล้วสละจริงๆก็คือสละจริงเลยสละโดยไม่ใส่ใจสนใจว่าตกที่ไหนซึ่ก็ก็ต้องพยายามหลีกเว้นตั้งแต่ไม่รับนะฮะเพราะว่าเวลาสละนี่มันก็ททำยากเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วย คือเราเงินไปฉีกเล่นไปฉีกทิ้งเนี่ยไม่ได้แล้วก็ในแง่ของทรัพย์สินก็ทำลายทรัพย์สินในแง่ของกฎหมายก็มีกฎหมายในแง่ของวินัยก็ไม่ถูกวินัยนะะเพราะว่าเราไม่ได้สอนในสิฉีกทิ้งแล้วก็ไปเรืยย่ยไป จนถึงปาจิตติปัญจติมันจะมีสองประเภทประเภทแรกเรียกวสุธิกะป่าจิตติคือป่าจิติล้วนๆเช่นมาโกโหกเนี่ยต้องป่าจิตติด่าภิกษุต้องป่าจิตติสอเสียภิกษุต้องป่าจิตติตสแสดงอาบัตแล้วพ็ถือโจ ก, กันแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยมันต้องตัดต้องทําลาย เช่นว่าเตียงที่ไม่ตรงต่อพระวิไนต้องตัดเจตนาสูงเกินไปใหญ่เกินไปคือต้องทําให้ตรงต่อพระวินเพราะอาบ้าฝนเราจะเห็นว่าถ้าเล็กกว่าพระวิไัยก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าใหญ่เกินกว่านั้นก็ไม่ได้ก็มีบทปัญญัติไว้พวกนี้ต้องทําให้เรียบร้อยเสียก่อนต้องตัด ไม่ใช่ต้องสละคือต้องตัดให้เรียบร้อยเสียก่อนไม่เหมือนกนในสคีต่อไปก็เป็นปฏิเทศนิยะก็มันจะต้องอบัิได้ก่อนในกรณีที่เกี่ยวกับภิกษุณีเกี่ยวกับอยู่ในป่าคนตราที่อยู่ในเมืองมันก็ไม่มีโอกาสต้องอบัดหรอกเนี้ยแล้วก็ทุกข์โกรเยอะมาก ตัวกฎแปลงไม่ไง่ายว่าทำไม่ดีคือบางอย่างมันเป็นความรู้สึกของคนที่ประสบพบเห็นรู้สึกว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรแก่สมณะสักยบุตรก็จะตำหนิดีเตียนพุทจาก็สมบัญญัติเป็นหุยนในเอาไว้พอต้องรักษาความรู้สึกที่ดีของชาวบ้านไปด้วย คือบางทีเรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกไม่เป็นบาปสา ก, กลคือหมายความว่าคนอื่นเนี่ยทำไม่ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องแต่ว่าพระมันอยู่ในฐานะที่ชาวบ้านก็ตั้งความหวังไว้สูงคาดหมายไว้สูงตอนการประพฤติบางอย่างของชาวบ้านเนชาวบ้านก็ว่าได้แต่ว่าพระนี้ทําไม่ได้ อ น, นาบัตุโกดก็เยอะมานี้รวมแล้วก็เป็นพวกปฏิโมกในที่อื่นก็เรียกว่าปฏิโมก็สังวรในรแยกเป็นสังวอร์าเนี่ยพวกนี้ก็อยู่ในปฏิโมกก็สังวรประการต่อไปเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจงเป็นผู้สํารวม ด้วยความสารวมในประปาติมโม ค, คือหมายความว่าปฏิบตปฏิบัติในวิถีชีวิตของเราก็ต้อง น, นึกอยู่ตลอดตอนนี้วินัยว่ายังไงวินัยว่าอย่างไงวินัยว่าอย่างไรเมื่ อ, อก่อนอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธท่านเล่าถึงการฝึกกสินของท่านแล้วก็อาจจะ เราการจะทดลองอะไรทุกอย่างเดี๋ยวท่านมองเห็นว่าต้นมะพร้าวนี่มันโคบลงมาปิดบังเช่าฟ้าใบกาของอุกุศ ต, ตั้งก็เพ่งเพ่งเพื่ อ, อ้ต้นต้นมะพร้าวนี้หาร แล้วก็เอาอะไรไปแขวนไว้กับต้นไม้ต้นไม้ชื่ออะไรดึงชื่อเสรแล้วคือถ้ามีความรู้สึกกับต้นเนี่ยจะหักก็รีบไปดึงของที่ไปพาดไว้เนี่ยออกแล้วก็ออกมาต้นมะพร้าวก็โค่นจริงแล้วก็กิ่งต้นไม้ต้นนั้นก็หักจริงอาจารย์ฟัน่นท่านรู้ความคิดเนี่ย เป็นเรื่องความคิดแนั้นท่านบอกว่าพระอะไรไปตัดตน้นไม้อาจารย์พูดบอกว่าไม่ได้ตัดมันเป็นความคิดเป็นความคิดต้องอาบัตรด้วยหรืออาาย่างฟันบอกว่า ต, กาตุกต้องนะเพราะเป็นสจิตตกะคือจงใจนะฮะเป็นความจงใจนี่เป็นความระเมียดละไหมเป็นความระเมียดระไหม คือการกระทําที่ยิงการตัดต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องต้องทำเองนะต้องทําเองรั่สั่งให้คนอื่นตัดแต่ก็เรียกสั่งหรือกับปิยะโหวหารคือไม่สั่งตรงๆว่าเด็กมาตัดต้นไม้ต้นนี้หน่อยสิทางป่าตรงนี้หน่อยเราก็ไม่สั่งอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องคนอื่นไปสั่ง หรือพระเองนะก็ตัดไม่ได้แต่วินัยก็ห้ามไว้ตึนควหมายความว่าการสมบรวมสีนี่มันก็ต้องนึกกำกับอยู่ตลอดจะทำจะพูดอะไรก็นึกถึงปฏิโมกข์นึกถึงตัววินัยเอาไว้ผิดวินัยหรือเปล่าผิดวินัยหรือเปล่าผิดวินัยหรือเปล่าความคิดเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับวินัยทุกคราว กตํานองใกล้ใกล้กับ ค, คนที่เคารพในกฎจราจรจะขับรถยังไงก็ตามแล้วก็ต้องนึกถึงว่ามัดวิดกฎจราจรหรือเปล่าทําอย่างเงี้ยผิดกฎจราจรพอเลี้ยวอย่างนี้ผิดกฎจราจรหรือเปล่าเปล่าไฟแดงเนี่ยผิดกฎจราจรหรือเปล่ า, า, า, า, รรลาถ้าผิดก็หยุดไม่ทำมันเป็นการสร้างคนในมีวินัยในตัวเอง คนเราต้องมีวินัยในตัวเองได้มันก็ต้องไม่มีคนอื่นมาคุมอ่แตเราเดียวว่าคนที่คุมมันก็ไม่ใช่คนที่เศษพิโซอะไรอ่ะก็เป็นคนธรรมดาเนี่แหละเป็นคนไทยธรรมดาเนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเขาได้รับการแต่งตั้ ง, ต, งตามบทบัญญัติของกฎหมายให้มีหน้าที่ในการควบคุมคนอื่นแต่ถ้าเราถามว่าในแง่ความจริงคนเรานั้นควบคุมตัวเองได้หรือไม่ เราไม่มีหน้าที่ควบคุมเขาอ่ะมันไม่มีหน้าที่ตรวจสอบเขาแต่เราก็เห็นว่าคนเหล่านี้ก็ทำผิดกฎจราแต่ว่าพอกฎหมายกำหนดเอาไว้ให้เขาถูกมันก็กลายเป็นถูกไปทีนี้ถ้าหากว่าคนเรามีวินัยในตัวเองสหนักสํานึกสำเนีกเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจสํารวมระวัง คิดเองได้นะที่จริงกฎหมายไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรลึกซึ้งอะไรมันเกิดจากสามัญสำนึกที่ต้องการให้เกิดการอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขภายในสังคมเป็นกฎกติกาจาัดความสัมพันธ์เชิงสรางสรรระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างสังคมกับสังคมเป็นว่าแต่กฎหมาย ของคนที่มีจิตใจไม่ปกติ่าจะสร้างกฎหมายที่มีปัญหาต่างๆก็เคยเกิดอยู่ตลอดในโลกเดี๋ยวนี้ก็เยอะหลายประเทศกฎหมายมีปัญหาเชเองแต่ก็กลายเป็นเครื่องมือของผู้บังคับชายกฎหมายแต่ส่วนวินัยนั้นมันเป็นไปเพื่อเดี๋ยวตาบูดปัญญิเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่า พระเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติพระวินัยอยู่สิบประการด้วยกันประการแรกคือให้สงให้ยอมรับว่าการบัญญัติอย่างนี้เป็นความดีงามละประการอนการที่สก็คือให้สงอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมีกฎมีเกณฑ์มีหลักหลักการมีวิธีการในการรักษาสามณะภาวะคือความเป็นสมณะเอาไว้แล้วก็เพื่อ ป, ปกป้องคนที่อัตยาศใยดีงามบาลีวงมีศีลเป็นที่รักแล้วก็เพื่อกำราบคนหัวเรื่องวายากสอนยากแล้วเพื่อกระจัดเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดซ้ำสองแล้วป้องการเรื่องเสื่อมเสียที่ยังไม่เกิดแม้เกิดให้คนนียังไม่เริ่มใส่ได้เกิดความเริ่มใส่ที่เริ่มใส่แล้วก็จะเริ่มใส่มากขึ้น เพื่อแต่ละคนคือตามปฏิบัติตามพระวินัยแล้วก็เพื่อความดำรงอยู่อย่างมั่นคงแห่งประสัทธรรมคือวันเป็นการประรบธรรมะประรบความยุติธรร ม, ธธรรมประรบความเป็นธรรมประรบความจริงธรร ม, ก น, รรมนการใช้ชีวิตในลักษณะที่ มีวินัยในตัวเองคือใช้วินัยในการควบคุมตัวเองได้ไม่สร้างความเลือดร้อนวุ่นวายให้แก่คนอื่นเราสัรวมที่ตัวเราแหละเราเองจะไม่มีปัญหาต่อคนอื่นถ้าคนอื่นมีปัญหาก็จะไม่เกิดจากเราผลจริงเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นสมณะคือสงบจากบาป เร็วกว่าบรรพชิต เ, เปลวเว้นบาทการใดที่เป็นบาปก็ทําก็ไม่ทำการใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทำการนั้นแระการต่อไปทัานสั่งว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโขจรอาจาระก็คือมันมารยาตต่างๆที่เหมาะที่ควรยืนยังไงเดินยังไงนั่งยังไงนุ่งห่มยังไง จะพูดแต่ใ จ, จยังไงจะไปในที่นั้นควรวางตัวยังไงอย่างเงี้ยมั น, ม, นมันก็เวลาละเอียดอีกเยอะอย่างกยกตัวอย่างเช่นในพระราชพิธีราชทานผ้าพระกระินแต่ประ บ, บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเองหรือว่ามีผู้แทนพระองค์เสด็จเนี่ยเอพระถึงเคยรับกรินมา่กี่ปีกี่ปีก็ตามต้องซ้อมกันอย่างน้อยสองคืน เตรียมความพร้อมอย่างน้อยสองคือโดยการเคลื่อนไหวทุก อ, อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่มีปัญหาในเรื่องจารีบประเพณีไม่มีปัญหาในเรื่องวิัยไม่มีปัญหาในเรื่องสถานนะสถานภาพของความเป็นถึสุดจะได้นอนเรื่องเหล่าดีเป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษาเรื่องบานเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านหอก หรือชาวบ้านทําให้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพระไปทําไม่มีปัญห า, า, พ า, ญหาเพราะเป็นอาจารรัคือมัน ญ, ญาติที่ควรประพฤติเดนกิริยามัน ญ, ญาติที่ควรประพฤติแมแต่การใช้วีาใช้ถ้อยคำอย่างในพระวินัยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอุโสถก็พันเตลืโสก็ันเตถ้าผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่ก็เรียกว่าพันเต เราผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยก็จะเรียกว่าอุโสก็เกี่ยวกันทีนี้พอมาถึงภาษาไทยเนี่ยมันมีคำเยอะเลยมีคำเยอะที่ใช้เรียกแต่เทราะระดับนั้นเรีย ก, อ ย, งงยกอย่างนั้นเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนั้นจนถึงระดับสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่าเจ้าประคุณเจ้าประคุณเนี่ย ราชากณน ก, ก็เรียกว่าเจ้าประคุณเรียกว่าพระเดชประคุณเรียกอะไรเท้าเรียกอะไรตต่างๆเยอ ะ, อ, ะอันนี้มันเป็นความถูกต้องเหมาะสมที่จะต้องปฏิบัติอนุวัตตามคลอยตามแล้วก็ฝึกรกระลมีสติฝึกกระลมีสติในการทำการพูดสอดคล้องกับความคิดที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เหตุแก่ผลในเรื่องนั้นๆ ทีนี้โคจรเนี่ยมันเป็นสถานที่เป็นสถานที่ที่เราควรไปหรือไม่ควรไ ป, ร อ, รปอย่างเช่นว่าโรงมราศพอย่างเงี้ยโรงสุราอย่างเงี้ยบ่อนการพนันอย่างเงี้ยหรือว่าซ่องโสเภณีอย่างเงี้ยแหล่งเรื่องโรมต่ตางๆอย่างเงี้ยพระไปแล้วก็เสียเสียพระเลยล่ะ แม้แต่เดินผ่านมันก็สยองนเะยเดินผ่านเราก็สยองนะแต่ว่าเดินผ่านเขาก็ไม่หวากาัเพราะว่ามันเป็นเรื่องเราใช้ถนนอย่างต่างประเทศบางทีนี่พระไปต่างประเทศก็ไปเดินหลงแต่ในความรู้สึกของฝรั่งมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าในความรู้สึกของคนไทยเนี่ยเขาก็ถ้าเข้าใจว่าท่านหลง หลงทางก็เป็นเรื่องที่ควรแกการเห็นใจเพราะว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรคือต้องเจตนาที่จะเข้าไปแ้าก็มีอะไรเจ้นสาวเชื้อพวกสาวคสาวแก่แม่ไมทั้งหลายเนี่ยนะคือจะไปบ้านเขาไม่ได้ไปพูดไปคุยอะไรกับเขาไม่ได้ เป็นจิตลักษณะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมีกิจนิมวนมีพิธีต้องต่างๆมีคนเยอะอย่างนี้ก็อีกเรื่องเนึ่แต่ว่าการไปมาหาสู่กันัสนิทสนมคุ้นเคยกันก็ไม่ควรซึ่งก็มีวินัยอย่าข้ออื่นกำกับเอาไว้เจนต้องมีผู้ชายซึ่งรู้เรียงสาอยู่เป็นเพื่อนหรือว่าไปกันสองรูปสามรูปอะไรเนี่ยไปกันหลายๆรูปนี่ก็ได้ คือไม่ใช่ปิดกัน้นไม่ใช่รังเกียจความเป็นผู้หญิงของเขาแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกทั้งสองฝ่ายจะต้องระมัดระวังผู้หญิงเองก็ต้องระมัดระวังตัวเองร่าเองก็ต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นเพื่อจะไม่ให้การติดต่อไปมาฮัสู่นั้นมันกระทบถึงสถานภาพในฐานะที่เป็นภิกษุ กับในฐานะที่เป็นคุลสตรีแต่ความละเมียดละไมเหล่านี้ทุกวันมันก็หลุมหลวมไปเยอะก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคือกระแสะของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปและขา่านดยมต่างๆโดยเฉพาะที่ผ่านสื่อต่างๆไปนี่ในสุคนก็จะชาชินกับพรพเรานะี่ยแล้วก็กลายเป็นปกติธรรมดา ยังเคยไปเจอที่สหรัฐอเมริกาคือตามปกติแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะทํางานโยงผู้หญิงก็จะความบ้ า, บานส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็เหงาแต่ส่วนมากกิจะมาอยู่กันที่วัดก็มาพรนานตัวอาสาจะนําเที่ยวชมเมืองแล้วก็ไปเสพไปนิ่มๆ เสร็จไปนิ่มๆบอกไม่ต้องรบกวนยยงหร อ, อ ก, กตอนนี้ก็ต้องการจะสนทนาพูดคุยกันกับพระโดยการก่อบบ้านเมืองมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนะี่ยแต่แกโพร่งขึ้นมาเลยแล้วจะคุณเห็นสันเป็นขี้เรือนได้ออยังไงถึงไม่ยอมนั่งไม่ยอมนั่งรถบอกไม่ใช่อย่างนั้นโยมมันเป็นปัญหาด้านวินยัย วินัยนี่ยเขากำหนดเอาไว้อย่างนั้นเราก็ต้องไปปฏิบัตตามพระวินัยคืออย่างเนี้ยอย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีบุรุษพยาบาลแต่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลไม่คก็มีบุรุษพยาบาลก็ต้องให้นางพยาบาลเป็นคนฉี้จาก็แน่นอนแหละก็เลยประถวมถุงสวมถุงมือสวมอะไรเรียบร้อย แต่ว่าข้าเองก็ลําบากใจอขราเองก็ลําบากใจที่ว่าคือวินัยนี่มันไม่ชัดแต่ว่าเรื่องนี้สมัยหนึ่งชิงเคยมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้เจ้าคุณสมเด็จสังฆราชตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสังฆราชท่านรับสั่งถามว่า เวลาพระป่วยเนี่หมอผู้หญิงรักษาได้หรือไม่เราต้องขอดูก่อนต้องขอไปดูก่อนคออือยังยังไม่เคยพบนะแล้วต่อมาก็พบในเรื่องพิกสุนีของพระวิ น, นัยเรียกพิสุณีวิปัสก็บอกว่าแต่หมอสมัยนั้นก็ผู้ชายล้วนนะไม่มีหมอหมอผู้หญิงหรอกมีหมอผู้ชายเลย ทางหมอผู้ชายรักษาหมอผู้หญิงได้ไหมจะรักษาภิกษุณีที่อาพาธได้ไหมทางทที่ผู้ชายจับและวภิกษุณียินดีรับสัมผัสเนี่ยปรับประสาทชิดเลยปรากฏว่าได้แต่ก็มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าเมื่อหมอผู้ชายรักษาภิกษุณีอยู่นั้นจะต้องมีเพื่อนภิกษุณีนั่งเป็นเพื่อนมันก็ป้องกันเรื่องอื่นแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจับต้องแล้วป้องกันเรื่องอื่นน่ะ นั่นก็แสดงว่าถ้าในสมัยนั้นมีหมอผู้หญิงอยู่ก็แสดงหมอผู้หญิงรักษาพระได้เพียงแต่วินัยมันไม่มีแต่ว่าเมื่อเทียบเคียงโดยมาตรฐานเดียวกันคือพิกษุกับพิษุนีเนี่ยหมอผู้ชายรักษาพิษุนีได้ก็แสดงหมอผู้หญิงก็รักษาพระผู้ชายได้ เพียงแต่ว่าจารีิเนี้ยมันไม่มีนั่นเองเมื่อไม่มีก็ยังไงก็รักษาหลักการไวก่อนเอาตามที่พระพุทธเจ้าส่งบัญญัติไว้คแต่ว่าการรักษาหลักการตรงเนี้ยในที่สุดเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนเปี่ยนไปมันก็ต้องนึกถึงหลักเขาเรียกมาประเทศ หลักเกณฑ์อ้างอิงในด้านพระวินัยเทียบเคียงในด้านพระวินัยคือพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้หรือไม่ทรงบัญญัติไว้ก็มาเทียบเคียงมาเทียบเคียงกับสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้พอทรงเนี่ยทรงห้ามไว้ห้ามไว้อย่างไงมันก็ต้องมีการประชุมหลวงมติกันหาข้อยุติกันให้ได้ ยังเวลาเนี้ยในภาคปฏิบัติเนี่ยที่จริงลําบากเช่นสมมติว่าพระจะไปไหนมาไหนแล้วก็จะบข้องเงินทองเองไม่ได้เช่นพ ร, พระจะไปโดยเครื่องบินต้องเอาลูกศิษย์ตามไปด้วยแต่ลูกศิษย์นี่เสียค่าเครื่องบินแพงกว่าพระองก็ต้องเพิ่มเงินคึ้นเยอะแต่ความจำเป็นที่จะต้องมีลูกศิษย์มันก็ไม่จําเป็น พอตีตัวไปแล้วก็ขึ้นเรื่อบินไปแล้วก็มีคนมารับปลายทางปลาทางก็มีคาราวาสอยู่ต้นทางก็มีคาราวาสอยู่ก็ไม่จาเป็นนี่จะต้องมีแต่ทีนี้บางกรณีเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแตเนี้ยพระก็ส่วนหนึ่งก็ไม่พบผาสตางค์ไปไหนมาไหนก็ไม่พบผ้ามาไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วไม่เคยมีสตางค์สักบาท ใส่กลับได้เรียบร้อยเป็นปกติแต่เราก็เห็นความยากลําบากของคนอื่นคือในรายละเอียดเนี่ยเราเห็นยากความยากลําบากแต่วินัยท่านบัญญัติไปอย่างนี้นวินยัยบัญญัติไว้อย่างนั้นพอสถานการณ์มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ ย, ยังนึกว่าข้อนี้น่าจะเอามาอยู่เพราะว่าการถูกบีบคั้น ทางการดำเนินชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะยิงคือการเดินทางการไปรักษาพยาบาลวนี้เด็กก็น้อยลงนะเด็กก็จะขอพึ่งพาสายให้ประเคนอะไรก็ลำบากอนะ่อีสักย์สิบ ป, ปียี่สิ ป, ปีสามสิบ ป, ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีเด็กอยู่คัดหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดจะต้องแก้ไขแต่สรุปว่า หลักการของพระวินัย น, นั้นคือพระวิ น, นัยแต่รัฐวดทยาก็ะทรวงเปิดทางไว้ด้วยมหาประเทศนะหมายความคณะสงฆ์ก็ต้องประชุมกันเองต้องพิจารณากันเองอหลักาาฐานมาแล้วก็ประกาศมาเป็นเรื่องๆไปเพื่อจะให้การปฏิบัตินั้นสอรดรับด้วยกันทีนี้สถานที่ สถานที่ก็เหมือนกันน่นแหละสถานที่ที่ว่ า, าไม่ทั้งหมดที่เป็นอโคจรถ้าเป็นเรื่องกิจลักษณะเป็นเรื่องกิจลักษณะก็ไม่ได้แปลกอะไรพระเจ้าจังไปเสมยบ้านของนางอัมพปาลีคณิกาซึ่งเป็นนครรษุเป็นนิกแต่ก็เป็นกิจลักษณะนะไปกันมากๆ เขาก็นิมนต์ไปเราจะไปตั้งประเด็นรังเกียจไดไม่ได้นะพระอนางอัมพาลีกณิกาต่อมาเป็นพระรหัน์นะแต่ว่าตอนนั้นท่านก็มีสถานะถูกเลือกคัดเลือกเป็นนัรโสเพณีพระเจ้าก็ทรงโศกร้อเช่นเดียวกันก่อนจะมีพานก็ยังไปพักที่นั้นในสวนมะม่วงของนางอัมพ า, าลี แล้วา็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็จงเห็นภัยในโทษคือโทษนี่อย่าไปคิดว่ามันเล็กน้อยเรื่องอาบัติตัเล็กๆ น, น้อยยุมยิ้มมันไม่ยุม่มยิมหรอกท่าใจเราเกิดสร้ามมองขึ้นมานี่แบบเดียนันเอแล้วสมมติว่าเราจิตเราเกิดดับตอนที่มันเกิดสร้ามมองคิดถึงอาบัตตัวเล็ก แต่ว่าจิตมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดับพันีเลยก็เป็น่าสันกรรมกรรมเมื่อจวนจะตายก็ทำให้ไปบังเกิดในคติพบกิตัิอย่างนี้อย่างพระเสดยดายสบมที่ตัดใหม่ยังไม่ได้นุ่มตัวเองป่วย วาชาอาหารที่เขาพี่สาวจัดมาฉลองในพิธีเย็บผ้าสบงให้น้องชายฉานบ้านไปแล้วในสุตตนที่จะอนุศิการถึงสมณธรรมถึงจิตถึงดูที่สภาพของจิตตัวเองว่าเป็นยังไงท่านก็ไปคิดถึงผ้าสบงที่ยังไม่ได้ชาย ตายก็เกิดเป็นเลนนะฮมีรูปหนึ่งตายไปเป็นอะไรอ่ะเป็นหนอนเป็นหนอนในอ้อยปลูกอ้อยเอาไว้ก็ป่วยหนักก็หิวไปคิด พ, พลาดไปเรื่อยๆก็เสียดายไปยังไม่ได้ฉันอ้อยเลยจะตายจังจริงๆตลาเาปลูกเองฉันไม่ได้นะฮะจะแสดงว่าท่านไม่รู้บาลีก็เรียกว่าโอเคฮิตา คือต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยจริงพระไปจับไม่ได้ต้นไม้ที่มีลูกนะฮะพระไปจับไม่ได้พอไปจับแล้วไปฉันผลมันไม่ได้ปราบบาป ท, ทุกข์แต่เละเมียดละไมพราะเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงมัญญะไว้แล้วก็ไม่เพิกถอนเนี่ยก็จะต้องประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าเล็กน้อย อย่างิีทรงแสดงว่าบุคคลเมื่อจะทำบาปอย่าทำบาปนั้นบ่อยอย่าวิคิดประบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ฝนเพราะมันเหมือนกับฝนที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดเนี่ยสามารถทำพัฒนาที่รองรับให้เต็มได้ตอนจิตใจที่สะสมบาปกระทำบา ป, ปบ่อยๆในสุดมันก็จะเต็มดตวยบาป ดินัยนั้นเป็นเรื่องของกิเลสค่อนข้างแรงนะคือค่อนข้างแรงไม่จะแรงทั้งหมดแต่มก็แรงลงมาตามลําดับแรงตามชื่ออบัตเช่นอ่าป ร, ราชิกเนี่ยสแสดงวอากิเลสแรงมากถ้าไม่แรงคนไม่ไปทําอย่างนั้นก็สัญญาที่เล็กิเลสกิเลสมันก็แรงลงมาแรงลดลงมา แต่ก็แรงกว่าเป็นเหตุจะต้องสุนัิใจเป็นเหตุจะต้องนิสกีเป็นเหตุจะต้องปฏิตีเป็นเหตุจะต้องไปเทศนิยะเป็นเหตุจะต้องทุกบท เ, น, เนี่ยมก็แรงกว่าไปเรื่อยเป็นการปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาและกวก็ทั้งใจคือแสดงว่จาจิตใจของเราจะต้องมีหลักคือความสํารวมระวัง มีสํานึกถึงสถานภาพทิราเป็นแล้วก็ปฏิบัติตนในเหมาะสมแก่ฐานะนั้นๆแน่ น, น, นอนทั้งหมดนั้นไม่ได้เจาะจงพระนะฮแต่ว่ า, าพระก็ขึ้นงวดขึด้นโยมก็ลดหลั่นกันลงมาตามจิตสํานึกของแต่ละคนซึ่งแน่นอนก็ไม่เหมือนกันตติงฝังกันลลย